รายชื่อแห่งธรรมเป็นที่ตั้งแห่งการขูดเกา่าในกรณีเรื่องธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งการขูดเก้านั้นอาเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยควรจะทราบประไว้ว่าธรรมะแบบไหนหรือธรรมชาติของคนแบบไหนที่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องขัดเกลา้า เราจะต้องละเราจะต้องเว้นคำว่าสันเลขธรรมก็คือแปลว่าธรรมที่เป็นเครื่องขูดเก่าบางครั้งเราเข้าสมาธิได้ชั้นที่1 2 3 4สสเราคิดว่าอันเนี้ยเป็นธรรมเครื่องขูดเก่าแล้วแต่พระองค์บอกว่ายังไม่ใช่แล้วอะไรเล่าคือธรรมอันเป็นเครื่องขูดเก่าพระองค์ก็เลย อธิบายถึงธรรมอันเป็นเครื่องขูดเกา่าเช่นว่าการเห็นคนอื่นเขาพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดซ้อเสียดพูดเท็จเราก็จะไม่ทำก็คือฝืนจิตฝืนใจของเราไม่ทำไปตามอากุศลต่างๆที่ผู้อื่นเขาทำกันตัวทําอันเป็นเครื่องขูดเกลานั้นจึงเป็นสิ่งที่ เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยนะการผูกโกรธก็ดีการลบหลู่คุณท่านก็ดีการแข่งดีการริษยาการตรณนีการโอ้อวดการมีมายาต่างๆนี้ล้วนอยู่ในวิถีชีวิตของเราทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลใดเข้าใจธรรมะตรงนี้และทำการขูดเกลา่าคือฝึกหัด ขัดกล่าวตนเองไม่ให้เป็นไปตามธรรมชาติของจิตนะที่เป็นไปนในทางอากุศลอย่างนี้นะคนคนนั้นก็ชื่อว่ากําลังทำนิพพานให้แจ้งนะได้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นเครื่องขูดกล่าวกิเลสอย่างยิ่งจุนทะสันเลขธรรมเป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายพึงกระทําในธรรมทั้งหลายเหล่านี้ กล่าวคือทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียนเราจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียนทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นกระทําปานาติบาศเราจะเว้นขาดจากปานาติบาศทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นกระทําอธินาทานเราจะเว้นขาดจากอธินาทาน ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นไม่ประพฤติพรหมจรรย์เราจักเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นพูดเท็จเราจักเว้นขาดจากการพูดเท็จทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นพูดส่อเสียดเราจะเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดทำสันเลขาว่า เมื่อผู้อื่นพูดคำหยาบเราจักเว้นขาดจากการพูดคำหยาบทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นพูดเพ้อเจ้อเราจักเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมากด้วยอภิชาเราจักเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชาทำสันเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมีจิตพยาบาทเราจักเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาททำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาทิฏฐิเราจักเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสังกับปะเราจะเป็นผู้มีสัมมาสังกับปะทำสันเลขะว่า เมื่อผ er ู ally, ้อ er ื่นมีม uh ิจฉาวาจาเราจะเป็นผู้มีสัมมาวาจาทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉากรรมันตะเราจะเป็นผู้มีสัมมากรรมันตะ์ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาอาชีวะเราจะเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะทำสันเลขาว่า เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวายามะเราจะเป็นผู้มีสัมมาวายามะทมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสติเราจะเป็นผู้มีสัมมาสติทมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสมาธิเราจะเป็นผู้มีสัมมาสมาธิทมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่น มีมิจฉาญาณะเราจะเป็นผู้มีสัมมาญาณะทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวิมุตตเราจะเป็นผู้มีสัมมาวิมุตต์ทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีถีณมิทธะกลุ่มรุ่มเราจะเป็นผู้ปราศจากทีณมิทธะทำสันเลขาว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ฟุ้งซ่านเราจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีวิจิกริชชาเราจะเป็นผู้ข้ามพ้นวิจิกิจฉาทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มักโกรธเราจะเป็นผู้ไม่มักโกรธทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ผูกโกรธ เราจะเป็นผู้ไม่ผูกโกรธทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลบหลู่คุณเราจะเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้แข่งดีเราจะเป็นผู้ไม่แข่งดีทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ริษยาเราจักเป็นผู้ไม่ริษยา ทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตรณีเราจักเป็นผู้ไม่ตรณีทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้อวดเราจักเป็นผู้ไม่โอ้อวดทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมารยาเราจักเป็นผู้ไม่มีมารยาทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้กระด้าง เราจักเป็นผู้ไม่กระดา้างทาสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ดูหมิ่นท่านเราจักเป็นผู้ไม่ดูหมิ่นท่าน ท, สน ท, า, นทาสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ว่ายากเราจักเป็นผู้ว่าง่ายทาสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีมิตรชั่วเราจักเป็นผู้มีมิตรดี ทาสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ประมาทเราจะเป็นผู้ไม่ประมาททาสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่ศรัทธาเราจะเป็นผู้มีศรัทธาทาสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีฮิริเราจะเป็นผู้มีฮิริทาสันเลขาว่า เมื่อผู <non> ้อื่นเป็นผู้ไม่มีโอตตปะเราจะเป็นผู้มีโอตตปะทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีสุตะน้อยเราจะเป็นผู้มีสุตะมากทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ขี้เกียจเราจะเป็นผู้ปรารบความเพียรทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่น เป็นผู้มีสติหลงลืมเราจะเป็นผู้มีสติตั้งมั่นทาสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญาสามเราจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาทาสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ลูกคลำด้วยทิฏฐิของตนเป็นผู้ยึดถืออย่างเหนียวแน่นและเป็นผู้ยากที่จะสลัดคืน ซึ่งอุปาทานเราจะเป็นผู้ไม่ลูปคลาด้วยทิฏฐิของตนเป็นผู้ไม่ยึดถืออย่างเหนียวแน่นและเป็นผู้ง่ายที่จะสลัดคืนซึ่งอุปาทาน